วันที่17พระพุทธดำรัตในฐานะพระพุทธองค์เป็นโอรสแห่งกษัตริย่อมคุ้นเคยกับมารยาทแห่งราชสำนักทรงสนทนาโต้ตอบในท่ามกลางที่ประชุมแห่งกษัตริย์หรือมหาราชาตลอดจนนักบวช นักศึกษาชั้นสูงสูงได้อย่างสะดวกดดยและแม้กับสามั ญ, ญชนตามชนบทต่างๆซึ่งล้วนแต่ทาความยินดีปรีดาในคําถามคําตอบแก่ทุกคนที่ทรงได้พบทรงทําให้อิสราชนเหล่านั้นได้นําธรรมะอันแจ่มแจ้งของพระองค์ติดตัวไปด้วยความพึงพอใจไม่ว่าเขาจะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นช่างเหล็กหรือช่างทำเกวียน และแม้ช่างตัดผมหากว่าเขาพอใจที่จะสนทนากับพระองค์ดังตัวอย่างเรื่องนี้ในวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านที่กําลังทานาอยู่ทั่วๆไปทรงไต่าถามเกี่ยวกับการทานาของเขาและตรัสบอกเขาว่าพระองค์ก็เป็นชาวนาด้วยเหมือนกันได้เตรียมพร้อมทุกๆอย่างที่จะทานาแม้กระทั่งเมล็ดข้าวที่จะใช้เป็นพืช ชาวนาได้ร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นชาวนาอะไรกันถ้าท่านเป็นชาวนาจริงวัวของท่านอยู่ที่ไหนไถของท่านอยู่ที่ไหนและสิ่งอื่นออีกคลายอย่างของท่านอยู่ที่ไหนทรงตรัสตอบอย่างสงบสงเงียมว่าสิ่งเหล่านั้นเราได้มีติดตัวมาที่นี่แล้วทั้งหมดท่านจงฟังให้ดีเถิดเราจะบอกให้ท่านทราบทุกอย่างทีเดียว มเมล็ดพืชของเราคือความปรารถนาที่จะช่วยสรพพสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามที่ได้ตั้งใจแน่วแน่ในวันตรัสรู้นักโคลนต้นโพนนน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราให้งดงามคือกุศลอันมหาศาลที่เราได้ภาคเพียรกระทาสืบมาจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ปัญญานั่นแหละเป็นแอกและไถของเรา ใจนั้นเป็นเชือกชักสาหรับบังคับปัวความละอายอันเป็นเครื่องเกียรติกันบาปออกเสียจากจิตเป็นงอนไถอันงามงอนของเราธรรมะทำให้เราสามารถขจัดสิ่งชั่วและประกอบแต่สิ่งดีเป็นคันสำหรับจับก็เมื่อท่านไถนาของท่าน ท่านย่อมตัดและกรบญ้าที่เป็นโทษทุกอย่างเสียฉันใดผู้ที่รู้อริยสัจสี่ประการก็ย่อมตัดและกรบอกุศลจิตอันชั่วร้ายภายในตัวเขาฉันนั้นครั้นถึงเวลาค่ำท่านแก้วัวปล่อยให้มันไปเที่ยวตามที่มันต้องการฉันใดผู้มีปัญญาก็ตั้งหน้าพยายามจนสุดกำลังเพื่อชำระสันดานของตน ให้สะอาดเหมาะสมแก่การลุถึงนิพพานฉันนั้นชาวนาทำงานหนักเพื่อตกแต่งดินให้เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชฉันใดบัณฑิตก็พยายามอย่างหนักเพื่อกำจัดโทษแห่งวัฏฏสงสารฉันนั้นแต่คนที่ทํานาข้าวหลายรายต้องประสบความไม่พอใจและผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะผลที่เก็ บ, เ ก, บเกี่ยวน้อยเกินไป บางคราวหัวปั่นเพราะความโกรธจนนอนไม่หลับเช่นนี้ก็มีอยู่มากส่วนผู้ที่ทำนาแห่งปัญญาเพื่อลุ้ถึงนิพพานนั้นเขามีความสุขในผลอันเก็บเกี่ยวนั้นโดยปราศจากความไม่พอใจพราหมณ์เอยนี่แหละวิธีธทำนาของเราพราหมณ์นั้นมีความพอใจในคําตรัสเปรียบเทียบทูลวิงวอน ขอให้ทรงรับเขาเข้าเป็นชาวนาตามแบบของพระองค์ด้วยและพรามนั้นก็ได้เป็นสาวกของพระองค์สืบไปจนตลอดชีวิตและอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ณหมู่บ้านเล็กๆชาวหมู่บ้านในถิ่นนั้นพากันมาทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค พวกเราได้ทราบว่าพระองค์เป็นศาสดาผู้ประกาศธรรมได้สั่งสอนสิ่งที่ดีเป็นอันมากแก่สาวกซึ่งละบ้านเรือนออกติดตามมาศึกษาประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระองค์ส่วนพวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถออกเป็นนักบวชยังเป็นชาวบ้านแออัดด้วยบุตรภรรยายังต้องประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ยังต้องใช้เงินทองยังรักการตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันมีค่า และดอกไม้ตามโอกาสยังลูกพาเนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อเกิดความพอใจอยู่ตามวิสัยชาวโลกทั่ ว, วไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคถ้าในคาสั่งสอนของพระองค์มีอะไรอะไรที่เป็นความดีเป็นความสุขในการครองชีวิตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเมตตาสั่งสอนข้อความนั้นๆเพื่อพวกเราทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามเพื่อรับผลนั้นด้วยเถิด พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีธรรมะอยู่สี่อย่างซึ่งเหมาะแก่ท่านที่ไม่ใช่นักบวชจะนำไปปฏิบัติเราจะกล่าวให้ฟังข้อที่หนึ่งพวกท่านควรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นอาชีพถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีขยันและฉลาด ทำเนื้นาให้เกิดผลได้ถึงที่สุดจริงๆถ้าเป็นพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าที่มีหูตากว้างขวางและขวนขวายอยู่อย่างขมักขมนถ้าเป็นคนใช้ก็เป็นคนใช้ที่น่ายกย่องเชื่อถือในความสามารถและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เป็นนายจงเป็นผู้กระปรี่กระเปร่า ในการที่ทําให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดด้วยการกระทําเช่นนี้ท่านจะมีทรัพย์สมบัติซึ่งนอกจากจะใช้สอยส่วนตัวหรือครอบครัวตนเองแล้วท่านยังมีเหลือพอที่จะประกอบการกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยคําสอนข้อนี้ชื่อว่าการถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่ ข้อที่สองท่านต้องเอาใจใส่รักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยไม่ใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองไปอย่างน่าเสียดายมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเทน้ำใส่ลงไปในตุ่มที่มีรูรั่วนอกจากความเหนื่อยเปล่าอย่างโง่เขลาคำสอนข้อนี้เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการรักษาและการทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะทำงานกินใช้ เก็บพอประมาณส่วนเกินนั้นช่วยผู้อื่นข้อที่สขมาวาสจะต้องเลือกคบบุคคลที่ดีที่ฉลาดมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หน้าเกี่ยวข้องด้วยมาเป็นเพื่อนตามปกติคนเราครบคนเช่นไรก็จกเป็นเช่นคนนั้นถ้าคบคนดีก็ยังมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนดีไปด้วย ถ้าคบคนชั่วก็จะกลายเป็นคนชั่วได้ง่ายที่สุดท่านจะสามารถจับของสกปรกโดยไม่ให้มือสกปรกไปด้วยนั้นไม่ได้คำสอนข้อนี้เรียกว่าการครบคนดีข้อที่สีคารวาสควรดำรงชีวิตให้เป็นสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่แห้งแลงเกินไป ไม่ใช้จ่ายหรือให้ทานเกินรายได้ของตัวทรั์สมบัติเหมือนน้ำในสระมีทางไหลออกมากกว่าไหลเข้าไม่ช้าจะแห้งขอดไม่เหลือติดก้นสระไว้ใช้ในกิจที่จำเป็นแต่ข้อนี้มิได้หมายความว่าเขาจะต้องสะสมมันไว้อย่างซ่อนเร้นโดยไม่ใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมเลย เปรียบเหมือนคนที่มีต้นไม้ซึ่งผลดกเต็มต้นเมื่อมันสุกได้ที่แล้วแทนที่จะกินผลไม้นั้นเขากลับเก็บมันใส่หีบแล้วฝังดินเสียผลไม้นั้นก็จักเน่าหมดเขาไม่ได้รับประโยชน์จากของดีที่มีอยู่นั่นเลยคําสอนข้อนี้เรียกว่าการดำรงชีวิตที่ถูกต้องพระองค์ตรัสสรุปในตอนท้ายว่านี่คือข้อปฏิบัติสประการ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและผาสุขในโลกของท่านที่เป็นคราวาด ท, ทั้งหลายนอกจากนี้เราจักบอกถึงธรรมอันจักนำให้เกิดผลดีในอนาคตอีกสี่ประการนั่นคือ 1. มีความเชื่อว่าทําดีดีทําชั่วชั่ว 2. ประกอบกรรมดีอยู่เสมอเว้นขาดจากความชั่วเช่นเว้นจากการฆ่าการลักขโมยการประพฤติผิดต่อของรักของผู้อื่นการพูดไม่จริงและการดื่มน้ำเมา 3. การฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างขวางในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจผ่องใส ไม่ยึดติดอยู่ในทรัพย์สมบัติชนิดโลกโลกนั้น 4. การบำเพ็ญให้เกิดปัญญาในการที่จะรู้และปฏิบัติตามทางอันนำให้ถึงนิพพานคำสอนทั้งสี่ข้อนี้เรียกชื่อตามลำดับว่าศรัทธาศีลจาระคปัญญา ในบรรดาพระธรรมเทศนาที่ยาวที่สุดมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนอกเหนือกว่าที่เคยตรัสแก่คนธรรมดาและพระภิกษุทั่วไปคือเรื่องที่ตรัสแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนและเคยสั่งให้ทรมานพระบิดาด้วยการให้อดอาหารจนสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายแล้วขึ้นครองราชบัลลังก์เสียเองเรื่องมีว่าวันเพ็ญของคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรู ประทับอยู่ที่เฉลียงโดยปราศจากความสำราญจึงตัดสินพระไทยเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในสวนมะม่วงที่หมอชีวกได้ถวายเป็นสังคารามทรงทอดพระเนตรพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ด้วยความสงบท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในโรงประชุมทรงพูลถามถึงประโยชน์หรืออานิสงขอ ง, ของการบวชเป็นภิกษุนั้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หม่อมชั้นได้ถามปัญหาข้อนี้แก่บรรดานักบวชเจ้าลัทธิต่างๆแต่ไม่เคยได้รับคำตอบน่าพอใจจากผู้ใดเลยเขาเหล่านั้นมักตอบเฉยไฉไปในทางอื่นเช่นเมื่อถามเรื่องขนุนสมาลอกลับไปตอบเรื่องมะม่วงข้าแต่พระผู้มีพระภาคทรงโปรดประธานคำตอบจากปัญหาข้อนี้แกหม่อมชั้นด้วยเถิด พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงของการครองชีวิตสมณะอย่างยืดยาวและชัดเจนพระเจ้าอาชาติศัตรูพอพระไทยในคำตอบนั้นว่าเป็นคำตอบที่ถูกแท้ทรงเชื่อว่าเป็นการดีที่เหนือสุดของความดีทั้งปวงในโลกสำหรับผู้ที่ได้บวชเป็นภิกษุปฏิบัติตามคำสอนของาศาสดาที่ดีเช่นพระพุทธองค์จากนั้น ยังได้กราบทูลขอร้องให้ทรงรับพระองค์เป็นสาวกจนตลอดชีวิตด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าพระราชานี้มีจิตเลื่อมใสและเข้าใจในธรรมที่เรากล่าวเป็นอย่างยิ่งถ้าหากพระราชานี้ไม่ได้ทํากรรมที่ชั่วร้ายคือการทําให้บิดาของตนสิ้นพระชนแล้ว พระราชานี้ จ, กจักแจมแจ้งด้วยดวงตาที่เห็นธรรมนักที่นั่งตรงนี้เองแล้วจักสละราชบัลลังก์ออกบวชเป็นภิกษุและเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในธรรมวินัยนี้ส่วนตัวอย่างธรรมเทศนาที่สั้นที่สุดนั้นมีว่าคนคนหนึ่งได้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการให้นั้นอะไรเป็นการให้ที่ดีที่สุด รถของอะไรเป็นรถที่ดีที่สุดความยินดีในอะไรเป็นความยินดีที่ดีที่สุดและอะไรเป็นเครื่องระ ง, งับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบคาถามทั้งสี่ข้อนี้ด้วยคำคำเดียวว่าทำผู้ถามได้ทูลขอให้พระองค์ทรงอธิบายให้เขาได้กระจ่างขึ้นทรงอธิบายว่าการให้ทำเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวง เพราะธรรมเท่านั้นที่ทำให้ผู้รับไปสู่พระนิพพานได้รถธรรมะเป็นรถดีเลิศกว่ารถทั้งหลายเพราะจิตที่เต็มไปด้วยธรรมนั้นย่อมสดชื่นแจ่มใสความยินดีที่เลิศกว่าความยินดีทั้งหลายในโลกคือสามารถกําจัดกิเลสให้สูญสิ้นไปพวกท่านจงประกาศ ธ, ธรรมะนั้นแก่คนทั้งหลายเถิด จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำการให้ที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์และผู้ที่อยู่ในสวรรค์รรรธรรมทานชนะทานทั้งปวงแล้วรถธรรมะชนะแน่ซึ่งรถหลาย ความรักธรรมล้ำรักที่มากมายตัณหาวายชนะทุกทุกอย่างเอ่ย